ในเมื่อกินไม่ได้น้องไม่หลับจะเป็นโรคประสาทนอกเหนือจากโรคประสาทแล้วลล ก, ล า, ล, ก ล, ล, วลายเป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งแล้กลายเป็นโรคที่แทกซ้อนกลายเป็นหืดเป็นหอบไปกลายเป็นโรค ล, ลำไส้ไปเลยเครียดขึ้นสมองทาไมขึ้นสมองลงลำไส้ต้องเป็นลำไส้ลำไส้เสียเปลล็นโรคลำไส้ดีไม่ดีก็เป็นโรคมะเร็งแก้ไม่ได้ต้องตายทุกหลายถ้าลมดีมีปัญญาโรคยังหายได้สองคน พี่น้องเป็นโรคมะเร็งอยู่ปริ ญ, ญาโทจุฬาจะต่อปริญญาเอีกหมอบอกมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่รอดแต่ยังเดินต่อแตะได้บอกคุณหนูหมอบอกว่าตายใช่ไหมจ่าหลวงพ่อคะช่วยหนูด้วยเถะเอาละหนูถ้าจะให้หลวงพ่อช่วยหนูต้องเชื่อหลวงพ่อนะตั้งใจเดินตรงกรมตายให้ตายตายหลวงพ่อจะเผาให้วัดนี้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 ได้เลี้ยงเขาอิ่มหนำถึงเราหิวก็ไม่เป็นไรเนาะเราหิวก็ไม่เป็นไรขอให้คนอื่นอิ่มเถอะคนอื่นมีความสุขความใดเราจะมีความทุกข์ยังไงแล้วคนอื่นสุขล้วก็สุขด้วยไม่ใช่ไปเอาความสุขเข้ามาแล้วถีบเอาความทุกข์ไปให้เขาคงไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนท่านญาติยอมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรง <c oughs> หนูกลัวตายไหมกลัวตาย เอาละอย่ากลัวตายให้มันตายไปเลยเดินจงกรมว่วาลาสุดท้ายเยี่ยผมเผลมลวด่นมาแล้วไม่ขึ้นเลยเป็นสาวจบปริญญาถกเอาละตายหลวงพ่อจะทําศพให้พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวบอกไม่ต้องห่วงตายเยอะทำศพให้อย่าไปคิดถึงเรื่องของใครคิดถึงเรื่องตัวเองเดินจงกรมตายมันตายกำหลอดตะเพิดปวดท้องมาก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 ตายให้มันตายแต่หมายเหตุตายอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวนี้กลัวตายจริงแต่ไม่ไม่กลัวตายแต่ยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้อยากอยู่ก็ลูกต่อไปอีกเนาะเอาอย่างนั้นไหมไม่เอาก็ไม่เป็นไรกลัวตายไหมกลัวไหมมนจะไปกลัวตายให้มันตายเช่เชื่อตา ม, มาเถอะคอยห้ใจไว้แล้วกินข้าวไว้ มันจะตายไหมตายไหมก็ห้ใจได้แล้วไม่ตายหรอกไม่กินข้าวแล้วไม่ให้ใจมันจะตายใจเข้มแข็งชนะเสรีชนะกายตัวเองโลกหลายแน่แต่แล้วแต่ท่านทั้งหลายอาตมาบอกท่านมาเนี่ยอาตมาเนี่ขคอหักทําไหมไม่ตายหายใจสะดือได้ ถ้าใครอยากจะรู้ว่าให้ใจสะดือได้ลองดูได้เดี๋ยวจะหาว่าอาตมาโกหกนะไปเลยไปที่ถนนให้รถทับคอให้หักดูที่าหายใจไหมสะดือเนี่ยนึกถึงแม่ตลอดแม่อาตมาเพิ่งเผาไปมาเรื่อยๆเนีย่ยร้อยหนึ่งปีร้อหนึ่งปีเลยนะอารมณ์ดีตลอดสวดทางมะกาอ่านถือไม่ออกอารมณ์ดีพอร้อยกันหนึ่งปีแกก็ค่อยๆกําลังก็ถอยไป แล้วก็หมดลมไปโดยอัตภาพคือหมดสภาพไปเองร้อยอายุร้อยปนหนึ่งปีคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะลมดีนะไม่มีโมโหขายอัตมาอยู่ก็โย ม, มเนี่ยไม่เคยดูลูกไม่เคยด่าลูกเลยเนะแล้วไม่เคยไปทะเละานะกับใครนแต่อัตมาจําได้มาจนอายุถึงเราเนี่ยถึงเจ็ดสิบสามปีแล้วแม่ไม่เคยไปทะเละาะกันบานเหนือมันตายเขาจะด่าไงแกบอกลูกเลย อย่าไปสนใจกเขาเขาด่าเราก็ช่างอย่าไปรับเอามานะโยกโยกเลยทํางานของเราไปเขาด่าเรายังไงเรา่าไปรับมานี่ก็เป็การเสียงหนอเขาดา่าเรา่ารับต่างสติไว้ที่หูเดี๋ยวคำด่านั้นก็กลับไปหาเขาเองแล้วอย่าไปรับคาําด่ามาไว้ในจิตใจให้โง่ทําให้ใจไม่สบายทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ เนี่ยคือคือกรรมฐานง่ายๆไม่ใช่ไปนั่งกรรมฐานบังที่กรุงเทพทางในห้องแอร์แล้วให้ยานทิพยหกขึ้นมาเอาแค่นี้ว่าเห็นด้วยปัญญาได้ไหมว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงเดินหนอห้าครั้งให้ได้ขอให้ทำอย่างเอาชุงโงโอ้อให้ยอมเขาทําให้ได้นะเดินหนอห้าครั้งหายใจยาวๆท้องหนอยบหนอให้ใจให้ยาวไว้ คนให้ใจชั่นเนี่ยอารมณ์ร้อนและแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทำอะไรพห้ใจยาวๆอย่าให้สัน่นกำหนดให้ได้คิดหนอตรงเนี้ยถ้าเป็นลูกหลานกำลังเรียนหนังสือคิดไปออกกำหนดตรง น, นี้ให้ใจอย่าปากให้มันลึกคิดออกเขียนเลยไม่เคยพลาดคิดนั่นออกมาเร็วด้วยและถูกต้องเลแล้วคิดเนี่ยเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้เลย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 ต้องใช้รีบใช่เลยเริ่มตน้นโดยการปกเหวที่นายซอดที่ถีบ้นแก่ลงกไม่น้ําลุบรีไปสมัยแตมาเป็นเด็กเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเขาก็จะขึ้นจากไม่น้ํามาได้คลานขึ้นมาได้คนเมาคืนก็หวัานเราก็ตกเหวไปขึ้นตะ ก, การเน่ะคืนก็หวานตอนเป็นพระรถยังพังอยู่ในเหวตอนที่สองพันห้าร้อย ปศ้องพากลวัเวงกรรมตามสนองตลอดไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่มีเวงกรรมตามสนองตัมมาจึงบอกขระเจ้ากรรมในเวนเจ้าเวนในกรรมว่ า, าวข้าพเจ้าโอหักหักคอนกขติบอกเลยไอปัญญาในตัวนี่สําคัญมากสามารถจะรู้ว่าเราหักคอนกที่หลังจากศรีเมืองถิง่นตอนอยู่มัธยมสามยิงแลยหักนกน ก, นกคอปนกเป็ดยิงไปเลยร้อยเลย เดากระจายห้านักยิงทีห้านักนกโดดไปร้อยขนาดที่มันบินขึ้นเป็นฝูงใหญ่ๆตกลงมาก็หักคอสนุกสนานเมื่อเป็นเด็กเลยเราก็ต้องคอหกักที่เราไปหักคอนกมารับจ้าง ต, ต้มตาก็โดนไฟลวกน้ําร้อนลวกสถาบานก็ยายไว้แล้วกตางว่าไม่ได้เอาสถาบานให้ฟาผ่าพาซิกุตีเลยผ้าจวงจววอนไหม้หมดเลยนี่เหลือ หูตึงไปหกเดือนกว่าจะได้ยินแล้วก็ปวดแวลปวดร้อนเป็นเวลานานหนึ่งปีนี่แหละสถาบานก็ย้ายไว้กระตงที่ละกระตงย้ายเราคิดว่าเป็นของยายคงไปของเหลือไม่ได้ถึงจะเป็นสามีภรรยาแต่ภรรยายักยอกเงินสามีโดยไม่บอกเป็นบาปสามียักยอกเงินภรรยาไม่บอกกลงไปกลงมาเป็นเป็นบาป จะได้เห็นบาปถ้าไปสร้างความดีจะเห็นเลยว่าเราเคยรักคตางสามีสามีเคยรักคตังเราต้องได้รับอนุญาตทั้งนั้นถ้าหากว่าโยมนั้งมีลูกผู้ชายตอนนี้มาบวชไม่ได้มีใครรับต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดากรถึงจะบวชให้ได้หรือลูกชายเป็นราชการก็ต้องลาริชการมาขอไปสมบท ลากรีแล้วมาบวชไม่ได้อุชาโดนถอดนะอุชาโดนถอดเลยอุชาโดนถอดยังไม่พอใครกันนั้นต้องโดนไล่ออกเพราะเอาคนหลวงรักคนหลวงมาบวชไม่ได้ไม่ได้รับอนุ ญ, ญาในการบวชไม่ใช่ไม่ได้รับพระบรมราชาอนุ ญ, ญาตฉันใดกับฉันนั้นอาตมารักทางยายนึกว่าของยายกัของเราไม่ใช่ยายบอกว่าไม่ได้ใครเอาไปเธออย่านีสายเสีย รับเถอะยายไม่ว่าอะไรแล้วเอาไปก็บอกเอาไปนิสัยแล้วมันเกเรกระเสียบอกไม่เดาไปใจแข็งเอาใหมา่ไปสบานได้ไหมได้ให้ฟ้าพาเนะครับฉันบานลเรารู้จักฉันบานลเราไม่ได้บอกว่าตายนะฟ้าผ่าเฉยๆเลยก็ผ่าเฉยๆเนี่ยอนะ๋ โ, อโหยาเชียวนะทรมานที่สุดะสายเขียวเข้ามาสายแดงามาฟาดที่ตัวเราไหม้หมดเลยจูบอก เหลือแต่ทูบวันเกิดเลยต้องรีบเขา้ากุฏิเลยเห็นไหมสุงงนโง่รู้เรื่องไหมเหลือแต่ทูบวันเกิดเลยเนื้อผ้าที่ไฟฝ้าพายังอยู่เลยไหมไปครึ่งเล ย, ไ ม, มยไม่ใช่มีขวานฟ้าพาลงมาอย่างนี้ไม่ใช่มีสายชุอกเขียวมันเข้ามาที่กุฏิตัตัตัตัสายแดงเข้ามาโดนเราเลยชัดควันเต็มกุฏิเลย แล้วยมนั่งอยอคุยอยู่ยอมไม่เป็ น, น, นอะไรเลยฝ้าเขแาแม่นไหมผาแม่นไหมผาาเราคุยเดี่ยวน่าจะโดนโยมมั่งก็ไม่ดูนะง้อเคยฟ้าผาไหมยาใช่นะโอโหปวดแชบปวร้อนเป็นตีน้หูตึงเลยพูดกันต้องเขียนหนังสือเนี่ยเลยบางทีเนี่ย หลังจากหายดีแล้วก็นางกรรมฐ า, านแผ่ให้จบกรรมในเวรบอกคุณยายต่อไปผมจะไม่โกหกผมจะไม่ลากตังกึก น, นะนไหนๆยายก็ตายไปแล้วเนาะมีสะบาน ม, มั้งไหมเนี่ยเคยสะบาน ม, มั้งไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีดีทาหนาฝนมาอตาตมาเสียงฟ้าคืนคุน กองกระซิบบอกมีใครสบาบันไหมถ้ามีทาหาคอสเจริญพร ล, ลาก่อรลากรเลยคเค็ดเลยเดี๋ยวจะพาผิดตัวมาเอาเราเข้าสิแต่ฟ้านี่คงไม่ผิดนะหนีไปนิองคตามผ่านิองคนะตามไวน้นไม่ฟ้าเหนือฟ้าเหนืออดแข่งตามไม่มีต้องโดนฟ้าผ่านแต่จสถาบานเนี่ยสูงงงเลยต้องคอยใจสถาบันนะ ยายบอกให้ฟ้าพาเนะี่ยรับแต่วงเล็บนึกในใจบอกไม่ตายนะฟ้าเอ๋ยอย่าพาเราตายแล้วเราไม่ไดูวงก็ตายนะ้ไม่ตายเลยนะใครบังดูง่ายฟ้าพามาต้องตายไม่จริงเอาเราคนเดียวกูตีหลังเก่าไม่ใช่หลังอตรงที่พาเสื้อนะั้นไม่หมดแวบแฝบ ควันอบเหม็นดินปืนเหมือนไอ้ค่ายดินพลุนใายบอกฟ้าพามันมีขวานพาลงมาไม่จริงอะเหมือนอย่างไฟช็อตสีเขียวกับสีแดงมาชนกับที่หลับแฟบหน้าตามืดหูหนวกเลยหูตึงเลยมายินเยินอยู่ตรงฝีตรงหกเดือนกว่าจะได้ยินทีละหูแย่เลย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 น้ำพระคุณอุ่นกล้าวทุกเช้าค่ำรอด้วยน้ําเมตตาจะหาไหนเหมือนน้าค้างเย็นหน้าจักรน้พลาไหลยังไม่เย็นล้าทง น, น, น้ำพระคุณน้ําตะคุณของพ่อแม่ไม่มีหมดนะของครูบาอาจารย์ที่สอนวิ ช, Multi ชาให้ก็ไม่มีหมดแต่นี่สิ่ที่เราก็ยเย็นเขาใช่แล้วก็หมดแต่พระคุณอุ่นกล้าวทุกเช้าค่ำไม่มีหมดรอด้วยน้ําเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ําค้างเย็นหน้าน้ำพาลาไหลยังไม่เย็นล้ําทงน้ำพระคุณ น้ำประคุณนี่สาคัญมากอาตมาไม่เคยลืมบุญคุณใครเลยเราถึงเจริญอาตมาให้ใครจะไม่จดไม่จําให้แล้วไปลืมเลยทําไมไม่จดเพราะเราไม่ต้องการหวังผลตอบแทนเลยให้แลกกันไปใช่ไหมชุ่งโง่แต่ใครให้น้ํากับพรเจ้าถ้วยจะไม่ลืมบุญคุณเราต้องสนองพระเดชประคุณเข้าในโอกาสข้างหน้าให้ถึงได้ตอนอาตมาเป็นเด็ก เคยไปกินข้าวบาังไทยเขาแต่เขาเคยอุปการ์แล้วอย่างไรจะไม่ลืมเราคุณเลยลเรามาบวชเขามาวัดเลี้ยงเต็มที่เลยเราไปกินข้าวบันเขามาก่อนเขาก็มากินของเราบ้่งสิเนาะเลี้ยงเต็มที่เราให้ลูกสาวคุณหญิงสุเนศพงทพพลเลื่อพนพงทพลฟังเมื่อสองวันนี้เขาเป็นประธาน สมาคมนายกสมาคมจ ต, ติไทยในพระลมลาที่มีประถมที่ปรึกษาเขาก็คือท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชรรไทยมาเราเลี้ยงอาหารไปในเล่าเขาฟังบอกว่าอาตมาไปเรียนช่างโอนที่บา ง, ร, งรุรงจะเลื่อนพงโบคลไม่เลืมอนพระคุณคุณแม่ของคุณฐานิศเคยเลี้ยงข้าวเรอเมื่อเราเป็นเด็ก ไข่ต้อมลูกพระก็ูตัวแล้วก็มีหมู ห, หมูพระโลกใช้นนานตั้งเป็นเด็กใดแล้วก็ขอหักและบอกว่าขอให้เรามาใช้มีมนุษย์ทั้งหมดไปอยู่มาในชาคุณชูเนตตอนนั้นยังไม่เป็นคุณหญิงมาที่วัดนี้คับคุณหญิงแขงดาวสยามวลาที่เป็นอิสลามกตมารู้จักกันดี ดับบาหลวงยอนอุลิอานาบันโป่งตายไปแล้วเลยมากับอธิบดีสอมพรเศพสิทาอำนวยอินตพุติกละพาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศชายในพระมลิมเจริญและก็คุณรัฐาอุวยชัยอาตมาก็เดานเท้ายมชื่อไล่นะเนี่ยฉันชื่อคุณธุเนศได้มาด้วยสองปีเป็นคุญิงทุเนศพงศพน เป็นธัญยาจะเลื่อนนาวาเอกเลื่อนใช่ไหมองค์ทศพลบอกชาติเอาละ่ะดีแล้ววันนี้จะใช่นี่ยอมจํำอตม า, ต า, มามคงไม่ได้เดอะตามามไปเรียนช่างคนแล้วเป็นคนขับมาเตอร์ไซต์ตายถังนะนะคู่กระเบนตะหลังมาที่วัชเกตนี่แหละของเีมาเตอร์ไซต์ล้วเคยเคยดูมาเตอร์ไซต์ตายถังไหมในองค์นี้ขี่วัชเกตลังเดือนที่สอง ตอนนั้นยังเปเด็กรุ่นรุ่นคู่ก็ระเบามตะหลังเคยได้ยินระบบามตะหลังไหมมันจะยินก็แล้วไปเนาะทําไมต้องเลิกไอ้เพื่อนขี่มเอเตอร์ไค์คนบนถังตากถังเนี่ยเอาแบงชง ม, มาควา้าคว้าผิดพอคว้าผิดรถเสียหลักเลยโดดถังตายเลยพอหากตายเลยเลยเราก็ถวายพระโคมลา ทำไงงั้นเราคงมองแทงคงไม่เจอโยมเนาะหงตายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นเวลานานมากอาจจะเป็นเด็กเด็กรุ่นลุงเจเลสเซ้ตะลังบอกไอ้หนูมึงได้กี่รอบแล้วบอกยังไม่ได้สักรอบเลยลุงอู่ห้ารอบไปยนะะมีคนดูเหรอนี่ยังไม่ทันจะเดึกเลยจะท้องหัวข้ามอู่ห้ารอบเนี่ยได้เงินเยอะขอดูหน่อยได้ไหม เลยก็เข้าไปดูละบามกระหลังนึกว่าเล่นย okay. ังไงแล้วนึกว่าเล่นเลี่ยองภาษาทองเนาะแล้วก็ค้นดูนะมันมีนมมีสาวเลยไม่มีเลยเนี่ยลุมย้อมห้เลยนมนมอย่างนี้รุนนี้หนวดงองมาเลยวันขอโทษเลยออกเลยไปโทรเลยลุงลุงหลังเนี่ยระบามลุงอย่างนี้เหรอเออไอหลานนี่แหละระบามลุงอย่างนี้ได้เงินเยอะ อ้งอเคยดูไหมสิงคโปร์ไม่มีเดีแล้วบามนะ่ะสิงคโปร์ไม่มีเนาะม่แต่เพศไทยเดี๋ยวนี้มีหางเครื่องอ่ะรู้จักหางเครื่องไหมเนี่ยอยู่สิงคโปร์ไม่อยู่รู้จักหางเครื่องไหมที่ตูทายป้ายทายมาเอาเตียอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหม ดูใจโชว์นัดัหมร้องข้าน้านมของแม่วันแม่ทิพยองถึงหาถน้ำหลวงแหมมันเป็นฝรั่งสะแทข้าน้านมของแม่แค่ไหนแล้วน้ำตาไหลหยดร้องแล้วผู้หญิงฝรั่งร้องเพลงวัฒนธรรมไทยนุ่งผ้าไหมคนไทยร้องเพลงอะไรรู้ไหม นี่มันนอกเรื่องแล้วร้องเพลงไทยข้านนมนมของเมียดีที่สุดอะไรจะดีท่านนมเมียนมแม่จะดีได้อย่างไรเนอะใช่ไหมอันนี้เพลงฝรังมัาลองไอ้ไอโชอะไรโชนัดโชนัดอะไรนยี่ยมรู้จักไหมเขาโหร้องแอวเก่งจัง <c oughs> เขาเลอกันนะตาไมา ย, ยังไม่ได้ไปดูว่าจะหามาเล่นที่วัดเราเท่าไ เนาะโชนัด ก, กับแม่โชนิร้องเก่งทุกอร้องด้นเก่งเลยคนไทยสู้ไม่ได้คนไทยร้องคาน้ํานมของเยชราแต่โชนัดร้องขา น, น้า น, านนมของแม่อะไรดีทีละหยดพยัญเนี่ยนมแม่เนี่ยแหมซึ้งใจร้องแล้วน้ําตาไหลเลยไม่ใช่ร้องน้ําตาไหลนะตัวว่าเขาน้ําตาไหลเขาคิดถึงแม่เขา แล้วไม่ชากกบอกแม่เขาเป็นคนไทยยุคหลังแต่ทำไมร้องเพลงเก่งได้ทุกอย่างเพลงบางใบก็ร้องเด็ดเพลาะมากแล้วก็เพลงแอวเพลงผ้าอีสานหมอลลาว่าได้สวยถุงเงาะร้องเพลงได้ไหมร้องได้เลยเนาะแต่ทุกคนเนี่ยร้องได้เช่นนั้นร้องได้นะเอะ ร้องได้เพลงเดียวมั้งะร้องได้เพลงเดียวร้องหายเนอะร้องห้ร้องเป็นแต่ร้องเพลงร้องอย่าไปร้องมาเลยเนอะแต่ก็รู้ไว้เชวาเบาแบกรามมีประโยชน์เหมือนกันเราอายฝรั่งร้องเพลงได้เยอะหมดคานงนมของแม่แล้วก็คุณของบิดามารดาคุณครูมาจาร้องได้เรอะมาก เป็นฝรั่งแท้ๆแล้วร้องชัดเจนนะร้องได้ชัดแล้วก็เสียงดีด้วยคนไทยแพ้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาฝึกได้ตรง้งไหนยังไงเนื่กล่าวถึงว่าการเจริญระกรรมฐานมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากโยมกลับไปแล้วก็ตั้งใจทำเดินจงกรมเนี่ยมันมีประโยชน์ห้าประการหนึ่งเป็นการ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 ถ้าเรามีบุญอยู่ตรงนี้ตั้งสติปัญญาจะอธิษฐานเล้ก็ขึ้นถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยอธิษฐานจะขึ้นได้ยังไงอธิษฐานไม่ขึ้นอย่าไปปรารถนาให้มันสูงเอาแค่นั่งเจริญสติปัญญามันปวดเมื่อยแบบกำหนดปวดหนอปวดหนอเป็นการศึกษาเกิดขึ้นต่างอยู่เดี๋ยวก็ดับไปเจ็ดจะได้ไม่ทว่าผวาเจ็ดจะได้ไม่เป็นหลงเจ็ดจะได้กลับมามันจะได้ไม่ปวด ไม่เมือ่อยนะไม่ปวดไม่เมือ่อยค่ะบางคนเนี่ยมันปดวดพวกเขาปวดอะไรๆบางทียายุยั ง, ยงน้อยยังไม่มากนะเราก็เพิ่มยาลงไปไอต้ตะไคร้ชงดีสุดอีกคนหนึ่งเราไม่รู้เขาเป็นเบาหวานไอ้พวกเขาเนี่ยหมอบอกว่าเสื่อมต่อไปคุณจะเดินไม่ได้เราต้องเจาะเอาน้ําออกแล้วก็ต่อไปเดินไม่ได้แน่นอนาอายุเพิ่งสามสิบยังสาวอยู่ เราบอกว่าอนนี้ยอมเชื่ออตาัมานะกินน้ำตาลทรายด้วย้ะเดินตรงกรมจะพื้หมอไม่ให้เดินไม่ ห, หนักกระดูกเสื่อมไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวตายทานน้ำตาลทรายห้ามทานกาแฟกาแฟกับกระดูกนี่มันมันถแถลแต่เขาเป็นเบาหวานเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเบาหวานอย่างแรงบางครั้งปลุกเป็นลมไปเลยต้องเอาน้ําตาลมาหยอดใส่ปากที่จะค่อยฟื้น นักเข้าเดินตรงกลมแล้วนหนัะแล้วกระตมอ่าแล้วกระชงตะไครเลยพลอยเบาหวานหายไปเลยเบาหวานก็หายด้วยแล้วก็กระดูกก็หายที่ว่าตรงนี้ต้องไปผาต้องใสไไ่ไอ้อะไรพลาสติกเป็นลูกสะบ้าแทนหายเลยกลับแข็งขึ้นมาเดน่ดนอยู่เมื่อวันเชิญก็มาที่วัดห้าปีไปแล้วดูสารพิฆาตได้ บอกว่าหลวงพ่อครัหนูกําลังแรงขึ้นแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเลยขับรถสบายมากตะกอนขับว่าไม่ได้อไอ้ตรงข้อนี่มันเสื่อมลุกจักรถทีจะเดินนี่ลำบากจะลุกทีจะนั่งทีลําบากมากเดี๋ยวนี้ลุกได้เดินสบายนี่แหละเดินตรงกรมแล้วก็ประกอบยานี่หน่อยคือตะไครยชงเลยบอกว่าหนูไม่ทราบว่ามันแก้เบาหวานได้ เคยไปรวดเบาหวานทุกสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนหมอบอกว่าเอ๊ะเบาหวานทำไมหายไปมอันตามาก็พูดมาพอสมควรแล้วบูชาตั้งใจนะจะเริยนกรรมาฐานสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจําโอาห و, จิกรรมมงก็แผ่เมตตาพอสบายอกสบายใจแล้วโยมก็ตั้งใจแผ่เมตตาจะให้ใครแล้วก็บอกไปเลย ไม่จําเป็นต้องไปนั่งกรรมฐ า, านรือสวดมนต์ก่อนถ้าอารมณ์ดีนะใจสบายปลอดโปร่งเนี่ยแล้วก็อุทิศให้ได้กำลังขับรถเนี่ยอารมณ์ดีๆจะแผลไปให้ลูกคือเมกาลูกกําลังเรียนหนังสือก็น่าสนถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปแผ่แผลไม่ออกเสียเวลาเปล่าทําไมจะแผ่ได้ต้องไปสวดมนต์ก่อนเนี่ยก็ภาวนาให้อารมณ์ดีกําหนดให้ศิก ด, ดีมีปัญญาจะแผลให้ใครก็ได้ สวดมนตไปเรียนิฐานจิตเป็นประจํอาอธิษฐานจิตตัวนี้แปลว่าอย่าทิ้งงานและหน้าที่ไม่ใช่อธิษฐานคอยเป็นนอนไปนี่ไม่ใช่ถขาเราดีแล้วมันก็เป็นได้เองโดยอัตโนมัติอย่าทิ้งหน้าที่การงานรับผิดชอบเอาโหสิกรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาอย่าโกรธใครไว้ในใจอยา่าขูกใจโกรธอิจฉาทิษยาท่านบูใดแล้วเราก็แผ่เมตตาออกอโหสิกรรมก่อนไม่โกรธรวมจะได้ผลสมคัญมากศานา ขออำนาจกุมารศีลศาสนาใจบุญกุศทั้งหลายโดยประธานพรให้ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสันนิลตอนขอจงเจริญแต่ถุกพิรภรชายศีลประการมีอายุขอยืนนามโนโพิภูฐานผ่องใสสุขค้างคอยสุขภาพกายอนามาัยทุกท่านโตได้ใจดีโรคภัยข้าเจ็บมีก็โปรดหายสึ่งทั้งหลายที่คิดไวในบัดนี้จะคิด ต, ต่อไปโอกาสหน้าดวงพลังงานเกิดความชเม็ดเผด็จพร ต้อมเจตจำนงความหมู่มาปรารถนาด้วยการทุกทุกท่านณโอกาสบัดนี้เทินอขอเจริญพรทุกทุกท่านทุกเขาค่ะ